การปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการปฏิบัตินี้ต้องผ่าน ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนถึงไปสู่ขั้นตอนที่สองได้ขั้นตอนที่หนึ่งที่เรียกว่าสมัตภาวนาคือการทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเรียกว่าสมัตภาวนาใจปกติของพวกเรานี่ไม่สงบกัน ใจของพวกเราคิดกันอยู่ตลอดเวลาคิดกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็จนถึงเวลาหลับเวลาหลับก็คิดต่อไปในรูปแบบของความฝันเนั้นใจนี้ถ้าไม่ได้มาฝึกสมถภาวนาะใจจะไม่มีความสงบได้เองเลย ทำไมเราจรึงต้องมาฝึกส ม, มถะภาวนากันเพราะการฝึกส ม, มถะภาวนาจะทำให้เรามีความสุขเป็นความสุขอกรูปแบบหนึง่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพ อย่างที่พวกเราทำกันอยู่วิธีหาความสุขของพวกเราผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบเราก็ต้องหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มการลิ้มรสการสัมผัสกับสิ่งต่างๆเข้ามาทางร่างกาย แต่ความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่ค่อนข้างจะยุ่งยากและไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เราก็ไม่มีความสุขกันเราก็มีความเครียดมีความเหงามีความเศร้มา ม, รมีความว้าเหว มีความหงุดหยิด ต, ตำคาญใจนี่คือปัญหาหรืออุปสรรคของการหาความสุขผ่านทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธศาสนา คือจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบง่ายๆแบบไม่ยุ่งยากแบบที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงเกียรติรสปัตตพะไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทอง ไม่ต้องใช้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราคือการหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่เองที่เรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบถ้าใจสงบนิ่งหยุดคิดได้ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกมิ้นกายสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องสมถะวิปัสสนา ภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเพราะร่างกายเองก็เป็นของไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งร่างกายก็อาจจะไม่สามารถ ทำหน้าที่พาเราไปหาความสุขต่างๆได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราหรือตายไปเเราพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้ชาวพุทธเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าไปหาความสุขที่ไม่แน่นอน ที่จะทําให้เราต้องทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถทําหน้าที่หาความสุขต่างๆให้กับเราได้ให้เรามาเรียนวิธีทําใจให้สงบกันวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันเพราะถ้าเรา หาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถ มีความสุขได้จากการทำใจให้สงบถ้าเราทำเป็นแล้วเราก็จะสามารถทำไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอรู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วก็จะทำได้ไปเรื่อยๆเหมือนคนที่หัดว่ายน้าได้แล้วก็จะว่ายได้เรื่อยๆตกน้ำก็ไม่กลัวจมน้ำเพราะจะว่ายได้ แต่คนที่ยังไม่ได้หัดว่ายน้ำนี่ถ้าตกลงไปน้ำก็จมน้ำตายได้แต่ถ้าหัดแล้วพอว่ายน้ำเป็นแล้วก็จะไม่ตายเวลาตกลงไปในน้ำเนี่ยการฝึกจิตภาว น, น, นานี้ยสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา น, นี่ก็เป็นเหมือนกับการหัดทำอะไรให้ชำนาญ น, นั่นเองหัดว่ายน้ำ หัดขี่จั ก, กรยานจั ก, กรยานถ้าไม่เคยขี่ลองไปขี่ดูขี่เดี๋ยวก็ล้มเพราะไม่เคยขี่ไม่เคยหัดขี่แต่พอหัดขี่ได้แล้วชำนาญแล้วขี่แบบปล่อยมือก็ได้ขี่แบบนอนบนจั ก, กรยานก็ได้ขี่แบบยืนบนจักรยานก็ได้ของพวกนี้เราฝึกขวนอบลมได้หัดได้ใหม่ๆ ม, มันก็อาจจะรู้สึกยาก เพราะเราไม่เคยทำกันแต่ถ้าเรามีความอยากทำจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาขวางเราได้เช่นเดียวกับการฝึกสมถะภาวนาฝ <ๆ S 1> ึกจิตทำจิตให้สงบถ้าเราอยากจะทำจริงๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้ขอให้เราหัดทำไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดกันแล้วกันเมื่อช้าก็เร็วก็จะทำได้ เพราะมีคนทามาได้แล้วเหมือนกับคนที่ขี่จั ก, กรยานกันมาได้แล้วคนที่ว่ายน้ำกันมาได้แล้วเพราะเขามีความอยากที่จะทำแล้วเขาก็พยายามเรียนพยายามหัดทาไปแบบไม่หยุดไม่ไม่ถอยแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้การมาฝึกจิตนี่ก็เป็นของที่ทำได้กัน ทุกคนถ้าอยากจะทำกันจริงๆทำได้ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่มาเสียเวลามาสอนพวกเราให้เหนื่อยยากแต่ทรงรู้ว่าพวกเราก็เหมือนพระองค์เองพระองค์เมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้จักวิธีภาวนาพระองค์ก็หาความสุขผ่านทางร่างกาย แต่วันหนึ่งทรงเห็นอนาคตของร่างกายของพระองค์เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เลยต้องเตรียมตัวหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าเพราะถ้ายังไปหาความสุขแบบเก่าอยู่ถ้าเกิดเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไป จึงต้องออกบวชเพราะการจะฝึกสมถะภาวนาแบบได้ผลเต็มร้อยนี่มากจะต้องไปอยู่แบบนักบวชต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากสังคมจ า, าจากผู้ที่หาความสุขในรูปแบบเดิมเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้ วิธีหาความสุขนี่หาความสุขคนละชนิดกันถ้าอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงเขาก็จะชวนเราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเดี๋ยวก็ชวนเราไปงานเลี้ยงเดี๋ยวก็ชวนเราไปเที่ยวชวนไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปดูการลเล่นต่างๆหรือไปทําอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายกัน เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปฝึกจิตไปเจริญสมถะภาวนาดัางนั้นถ้าเราอยากจะหัดสมถะภาวนาเนี่ยเราต้องปีกวิเวกให้ได้คือต้องแยกตัวเราออกจากสังคมที่เราเคยคลุกขีอยู่ด้วยถ้าเรายังคลุกขีกับสังคมที่เราอยู่ด้วยเราก็จะไม่มีเวลา ก็สังคมที่เราคุกคุีอยู่ได้เขาก็จะคอยดึงเราให้ไปร่วมกับกิจกรรมของเขาเดี๋ยวก็มีงานแต่งงานเดี๋ยวก็มีงานวันเกิดเดี๋ยวก็มีงานคนตายงานศพถ้าเราไปร่วมกับเขาถ้าเราขาดงานใดงานหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องตามหาเราแล้วเอ๊ะทำไมไม่มา เ, เคยมางานนี้วันนี้ทาไมไม่มา เดี๋ยวก็โทรหาตามหากันพอเจอเขาก็เกรงใจเขาเขาสามราตามถึงบ้านยังไม่ไปก็เดี๋ยวหาว่าไร้น้ำใจหาว่าตัดขาดกันจากการเป็นมิจฉาแล้วเพราะเราไม่ไปร่วมทากิจกรรมกับเขานี่คืออุปสรรคมากกว่าการหัดทาสมถะภาวนามันไม่ยากแต่อุปสรรคที่ คอยขัดขวางให้เราไปภาวนานี่มันยากกว่าคือการที่เราจะต้องตัดความสัมพันธ์ต่างๆคือไม่ได้ตัดแบบไม่มีเยื่อใย ห, หรือไม่มีความรักความเมตตาต่อกันคือตัดการร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นแต่ใจิตใจก็ยังรักเขาอยู่ยังอะไรเขาอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่อยากจะไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาเท่านั้นเอง เพรกิจกรรมที่เขาทํานี้มันจะยจะทําไม่ได้ต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายแต่เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยคิดเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเขาไม่เคยคิดว่าสัวันข้างหน้าเขาจะต้องแก่เขาจะต้องเจ็บเขาจะต้องตายแล้วเขาจะทําอย่างไรกับ ชีวิตของเขาในตอนนั้นซึ่งเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นกับคนที่แก่ที่เจ็บที่ตายแล้วก็ไม่น่าไม่น่าดูบางคนก็อยู่แบบเสมเศร้าบางคนทนกับความเหงาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายไปนี่คืออนาคตของผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะั้นตอนนี้ ตอนที่เรายังมีเวลามีความสามารถ <c oughs> เราควรที่จะ <c oughs> หาเวลามาฝึกทำจิตใจให้สงบ <c oughs> ในเบื้องต้นเราก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบวชเลยก็ได้ <c oughs> ตอนต้นเราก็อาจจะไปอยู่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปอยู่ตามสถานที่ที่เขาสอน ปฏิบัติจิตตะภาวนาสอนให้ทำจิตใจให้สงบไปอยู่ครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเพราถ้าไม่หนีไปเดี๋ยวก็มีงานต่างๆเข้ามาไม่มีขาดเดี๋ยววันนี้ก็งานเกิดวันเกิดคนนั้นวันนี้ก็เป็นวันครบรอบของคนนี้วันนั้นก็เป็นวันแต่งงานของลูกหลานคนนั้นคนนี้น มีงานให้เราต้องไปสังสรรค์ต้องไป ส, งสังคมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไปแล้วก็จะปฏิเสธไม่ได้ไปงานนี้แล้วก็จะไปปฏิเสธในงานก็ไม่ได้แต่ถ้าเราหายไปสักห้าวันเจ็ดวันนี้มันก็ไม่ต้องไปบอกใครหายไปแบบเงียบๆไปเลย คิดว่าไปโรงพยาบาลกันแล้วกันเพราะการไปฝึกจิตนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการไปรักษาจิตใจที่ไม่สงบให้มันสงบจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายเวลาร่างกายเราไม่สบายเราก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเราก็ไปงานต่างๆไม่ได้เั้นเวลาเราจะไป ฝึกจิตไปหัดทำสมาธิทำใจให้สงบเราก็คิดว่าเราไปโรงพยาบาลของจิตก็แล้วกันไปรักษาจิตใจเราอยากจะให้จิตใจเราสบายจิตใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายอยากให้จิตใจมีความสุขมีความสงบเราก็ไปปริกวิเวกไปอยู่กับผู้ที่เขาฝึกจิตกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นตามวัดวาต่างๆวัดที่มีการปฏิบัติวัดสมัยนี้ก็มีหลายแบบวัดที่ไม่มีการปฏิบัติก็อย่าไปเพราะวัดบางวัดก็กลายเป็นวัดสังคมไปวัดที่มีคนไปร่วมทำางานทำกิจกรรมเช่นงานบวชงานอะไรต่างๆ ถ้าไปวัดเหล่านั้นก็จะไม่มีการไปฝึกจิตนะต้องไปวัดที่เงียบสงบที่ไม่มีกิจกรรมต่างๆมีแต่กิจกรรมอย่างเดียวคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการจเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะทำใจิตใจให้สงบได้ ต้องมีสติสติเป็นเหมือนเชือกนะส่วนใจนี่เป็นเหมือนบิงดนะิงถ้าเราอยากจะให้มันอยู่นิ่งๆเราต้องเอาเชือกไปมัดตัวมันไว้ถ้ามาัดมาแล้วทีนี้มันก็จะขยับไปไหนมาไหนไม่ได้จิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติมันก็จะเคล็ดไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่มีจิต เคยสงบบ้างหรือยังเคยหยุดคิดกันบ้างหรือยังนึกตั้งแต่เกิดมาก็ได้ว่าเคยเคยหยุดคิดกันบ้างหรือยังถ้าไม่มีสติที่มีกำลังมากพอไม่สามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้เมื่อไม่หยุดความคิดก็จะไม่สามารถพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางร่างกายได้ อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำหลังจากที่สามารถแยกตัวออกจากสังคมได้แยกตัวออกจากสังคมในเบื้องต้นก็เอาแบบชั่วคราวก่อนออกมาทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วแต่โอกาสต้องตั้งเป้าหมายถึงจะทำได้ถ้ารอให้มีเวลาว่างมันไม่มีว่าง เพราะมันมีกิจกรรมต่างๆมาลอยมาเข้าคิวลอเราอยู่เดี๋ยวงานคนนั้นงา น, านคนนี้เดี๋ยวมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้เราต้องเราต้องพยายามหาเวลาออกมาให้ได้ก่อนที่เราจะออกมาได้เราก็ฝึกได้บ้างในแต่ละวันเช่นวันหนึ่งควรจะหาเวลาสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงให้กับการฝึกจิตเนี่ยตอนเช้าก่อนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก่อนจะไปทำภารกิจอะไรต่างๆลองใช้เวลานั้นเป็นเวลาฝึกจิตสักชั่วโมงวิธีฝึกแบบง่ายๆแบบหยาบๆก็คือสวดมนต์ไปก่อนตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์หรือถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งไปเลย นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือถ้ายังดูลมหายใจไม่ได้บริกรรมไม่ได้เพราะหยุดความคิดไม่ได้ก็สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดมนต์ไปในท่านั่งสมาธินะะั่นแหละไม่ต้องนั่งพนมมือไม่ต้องกราบใช้บทสวดมนต์เป็นอารมณ์ที่จะทำให้มีสติยับยั้งความคิดได้สวดไปหลายๆรอบเช่นอิติปิโสเนี่ยหลายจบมีนิยมให้สวดอย่างน้อยก็ให้ครบรอบวันรอบวันเกิดของเรามีรอบอายุของเรา อายุเรามีกี่ปีเราก็สวดกี่รอบอายุสามสิบก็สวดสามสิบรอบสวดเอติปิโสภักวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดไปภายในใจนั่งหลับตานั่งขัดสมาสวดไปเหมือนกับนั่งสมาธิเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้พุโทโธหรือยังไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่า ใช้พุโทโธแล้วมันหายไปเรื่อยใช้พุโทโธได้สองคำความคิดนู้นความคิดนี้เข้ามาแล้วดูลมก็ดูไม่เห็นลมมันดูยากจิตไม่ยอมดูอยู่กับลมจิตชาบไปอยู่กับความคิดต่างๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไม่ต้องสวดพระสตรต่างๆเราไม่จาเป็นเหมือนกัน พระกันยอดพระกันไตปิดกคาถาอะไรต่างๆ น, นั้นเป็นความเชื่อว่าท่องสวดแล้วจะได้นู่นได้นี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการสวดการสวดนี้เป้าหมายก็เพื่อทำจิตให้สงบไม่ได้สวดเพื่อให้ร่าให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตซึ่งเป็นความเชื่อเท่านั้นเองความจริงแล้วมันอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ มันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่จะทำให้เกิดสิ่งที่อยากได้ก็ได้แต่เป้าหมายของการสวดของเรานี้ให้เราพุ่งเป้าไปที่ความสงบเพราะความสงบนี้มันมีคุณค่าราคามากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าได้ความสงบแล้วมันไม่ต้องการอะไรแล้ว มันไม่ต้องการลาบยศสารเสริญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรลแม้แต่อายุชีวิตก็ไม่ต้องการมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีความอยากที่จะให้นาำกายมีอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่เป็นปัญหาไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่พเพราะเรถ้าได้ความสงบแล้วมันไม่ไม่เดือดร้อน เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เดือดร้อนเวลาล้มละลายยากจนไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เดือดร้อนเวลาโอดยาขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขภายในใจที่คอยให้ความอิ่มความพอถึงแม้ว่าร่างกายจะโอดยาขาดแคลนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย ห ร, รื้อร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจเนี่ยที่มีความสงบนี่คือเป้าหมายของการฝึกจิตให้จิตได้พบกับสิ่งที่เลิศที่สุดในโลกนี้คือความสงบแล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ได้ปัญหาเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายปัญหาเกี่ยวกับความ สูญเสียข้าวของเงินทองสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียบุคคลต่างๆสูญเสียยศสูญเสียตาแหน่งสูญเสียอะไรต่างๆไม่เป็นปัญหาอะไรเสียก็เสียไปเพราะใจที่สงบนี้ไม่หิวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาหักคอยให้ความสุขเพราะมีความสงบคอยให้ความสุขอยู่ตลอดเวลา นี่แหละคือเป้าหมายของการสวดมนต์จะของแนวของการปฏิบัติจิตตภาวนาสวดเพื่อกล่อมใจให้สงบลงแต่ไม่ถึงกับสงบแบบเต็มร้อยการสวดมนต์นี้ไม่ทำให้จิตสงบแบบเต็มที่ไม่นิ่งเต็มที่เพียงแต่ลดความฟุ้งซ่านลดความคิดบุงแต่งให้มันน้อยลงเพื่อที่จะได้มี กำลังที่จะดึงจิตให้มาเพ่งดูลมหายใจต่อไปเบื้องต้นก็ลองสวดสักตามอายุดูมีอายุสามสิบก็ลองสวดสักสามสิบรอบเสร็จแล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อไปหรือถ้าไม่ชอบดูลมชอบพุโทโธก็ท่องพุโทโธพุทโธต่อไปถ้าทำได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวก็จะพบกับความสงบเอง อย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบไม่ต้องไปสนใจเหมือนกินข้าวไม่ต้องไปสนใจว่าแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มเวลากินข้าวเราไปถามตัวเองว่าอิ่มหรือยังว่าเมื่อไหร่จะอิ่มสัทีไม่เคยคิดอย่างนั้นเวลากินข้าวก็มีแต่กินอย่างเดียวดักข้า ว, ขาวาเข้าปากเคี้ยวกืนตักข้าวเข้าปากเขี้ยวกืนอย่างเดียวจะอิ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เอง เดี๋ยวถึงเวลาก็หย <ith ing, S 1> ุดกินเองนั่นแหละแสดงว่ามันอิ่มแล้วอันนี้ก็เหมือนกันดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจ่าสงบหรือไม่สงบพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะสงบไม่สงบเดี๋ยวถึงเวลามันจะสงบเองมันจะวุบลงไปแล้วก็จะนิ่งแล้วมันก็จะหยุดไปเองโดยอัตโนมัติมันจะรู้ว่าตอนนี้ไม่ต้องพุทโธแล้วตอนนี้ไม่ต้องดูลมแล้ว อันนี้ไม่ต้องถามใครสันทิฏฐิโกการปฏิบัตินี้เป็นตัวพิสูจน์การฟังเทศฟังธรรมการสอนการได้ยินวิธีต่างๆนี้เป็นเพียงแต่สิบปากว่ามไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะต้องเอาไปปฏิบัติที่ต้องฟังก็เพราะว่าไม่รู้วิธีทำอพอรู้วิธีทาแล้วก็เอาไปทาสิทาถ้าทาแล้วไม่หยุดไม่หย่อนอ ไม่ย่อท้อทำครั้งแรกไม่ไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำครั้งต่อไปมีเวลาทำเยอะแยะในเบื้องต้นนี้เราก็กำหนดสองเวลาก่อนนอนกับเช้าเย็นเช้าต่นขึ้นมาก่อนจะนอนก็สวดนั่งสมาธิสวดมนต์ไปในพร้อมๆกันนั่งหลับตาแล้วก็เริ่มสวดอิติปิโสไปตามอายุสวดเสร็จก็ลองดูลมหายใจต่อหรือพุทธโธต่อไป รับรองได้ว่าจะต้องได้เห็นอะไรบ้างไม่มากก็ น, น้อยลองทําดูถ้าเริ่มทําตั้งแต่ยังไม่ได้ไปปีกวิเวกเนี่ยพอมันได้ผลแล้วมันจะมีกําลังใจเองมันจะอยากไปเองแหลเพราะมันรู้ว่าอยากจะได้มากกว่านี้การจะมีการจะได้มากกว่านี้ก็ต้องมีเวลาต้องมีเวลาไปทำเลถึงเวลานั้นมันก็จะไปหาทางไปปีกวิเวกเอง มันก็จะหาทางแยกออกจากสังคมไปแต่ในเบื้องต้นต้องพยายามทาตั้งแต่บัดนี้ไปให้ได้ก่อนทําในขณะที่เรายังดำรงชีวิตตามปกติของเราอยู่ยังทำมาหากินยังมีมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอยู่ก็ทำไปแต่ขอให้ตั้งเวลาจัดเวลาให้สักวันละสองรอบเพื่อให้การสึกจิต เช่นตอนก่อนนอนก็มานั่งสวดนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็สวดอิติปิโสไปตามอายุสวดเสร็จก็เรานั่งก็ดูลมต่อไปหรือพุทโธต่อไปจนกว่าจะไม่ไหวแล้วอยากจะนอนก็ เ, เลิกไปแล้วก็พุตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาอีกรอบหนึ่ง ต้องพยายามนอนหัวค่ำหน่อยจะได้ตื่นเช้าหน่อยจะได้มีเวลาเราจะต้องตัดกิจกรรมที่เราทําอยู่ในตอนกลางคืนก่อนนอนเช่นดูละครดูหนังหรือทําอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องทำนะเปลี่ยนออกมาเป็นการมาฝึกจิตดีกว่ามาฝึกสมถะภาวนานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธนั่งหลับตาสวดอิติปิโสไป นั่งถัดสมาธไม่ได้ก็นั่งขอบเตียงก็ได้แต่นอนบนเตียงก็นั่งขอบเตียงแล้วก็สวนอิติปิโสหลับตาสวดไปหัดท่องไว้ก่อนถ้ายังท่องไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือมาท่อง อ, อิติปิโสภะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู อนุตตลกุลิสสะดัมมัสสาลติสัตถาเทวมนุษยานังธธพุทโธภักวาตออิแล้วก็สวาขาโตภักวตาธรรมโแล้วก็สุปฏิปโนออก็จะครบหนึ่งรอบออออคือเป็นการจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตออิซึ่งเป็นกรรมฐานที่จะเป็นเครื่องปลุกสติสร้างสติขึ้นมา สวดได้รอบถึงแล้วก็จําไว้รอบที่หนึ่งแล้วก็สวดรอบที่สองรอบที่สามไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอายุแล้วลองสังเกตดูว่าแปลงยังตอนนั้นใจจะเบาขึ้นเยอะใจจะคิดน้อยลงตอนเริ่มต้นมันจะคิดมากเพราะว่ามันมันหลงมาจากการที่เราไปทํางานทําการเวลาเราทํางานทําธุระอะไรต่างๆเราต้องใช้ความคิดกัน พอเราเลิกทำแล้วมันยังไม่หยุดคิดมันยังคิดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราถึงต้องใช้วิธีสวดมนต์เพื่อที่จะสวนกระแสของความคิดเอากระแสของของการสวดมนต์นี้ไปสวนกระแสของความคิดเพื่อทำให้กระแสของความคิดมันเบาลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้พอมันหายไปที่นี้เราก็ดูลมหายใจต่อ ดูไปเรื่อยๆ เ, เวลาดูลมก็ให้อยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าออกลมที่มันสมัมผัสจะอยู่แถวบริเวณปลายจมูกห ร, K, หรือหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้เฝ้าอยู่ตรงนั้นอยู่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกให้รู้เท่านั้นถ้าลมมันสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดนะไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปสั่งให้มันหายใจลึกๆยาวๆเออไม่ต้องทำอะไรทางนั้นเพราะทำแล้วมันจะเป็นการทำงานของใจนั่นเองเป็นป็นทำงานของจิตถ้าให้จิตทำงานมันก็จะไม่นิ่งฉะั้นอย่าไปทำงานอย่าให้จิตทำงานด้วยการบังคับให้ร่างกายหายใจลึกๆหายใจยาวๆ ่ให้มันหายใจไปตามธรรมชาติของมันเองเวลาเริ่มต้นมันมักจะสั้นและหยาบแต่พอจิตสงบลงละเอียดลงลมก็จะละเอียดตามละเอียดเบาตะยาวขึ้นละเอียดขึ้นหรือบางทีอาจจะจับลมไม่ได้ก็ได้รู้สึกว่าไม่ได้หายใจก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลก็ให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าตอนนี้ลมละเอียด ลมหายไปก็ดูความว่างไปดูที่ปลายจมูกนะั่นนะไม่ต้องไปไหนอยู่ที่จุดเดียวนั้นดูว่าตอนนี้ไม่มีลมมาสัมผัสก็ให้รู้เฉยๆไปนะอย่าไปปรุงแต่งเยวไปหวาดกลัวอย่าไปคิดว่าไม่หายใจแล้วเราตายหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกยังหายใจอยู่เพียงแต่หายใจน้อยอาจจะหายใจไม่ถี่เหมือนตอนที่เราทาอะไร ตามปกติสมมติเราหายใจหกสิบครั้งต่อนาทีถ้าเวลาเรานั่งสมาธิเดี๋ยอาจจะลดเหลือแค่สาสิบครั้งเหลือแค่ยี่สิบครั้งก็ได้เพราะมันไม่จําเป็นต้องใช่ลมมากเวลาที่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ต้องทําอะไรเหมือนลถเห็นมไหมลดเวลาจอดอยู่เฉยมันก็ไม่มันก็ไม่ทำงานมากเครื่องมันก็เบาลงไปแต่พอมันวิ่งเนี่ยมันมันก็จะทํางานมากขึ้นไปตาม ตามงานที่มันต้องทำงไม่ต้องกลัวเวลาดูลมเวลารู้สึกว่าลมหายไปก็ให้อยู่ที่ปลายจมูกนะให้ดูอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่เดิมที่เราดูนะไม่ต้องเคลื่อนไปไหนให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบเข้าไปเองถ้าเราไม่ไปคิดไปรบกวนมันนะ <c oughs> นี่คือ การฝึกสติในเบื้องตน้นถ้าจิตสงบแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขมากมันจะต้องร้องอ๋อหรือว่าโอนี่เหลือนี่เหลือคือความสงบมันมันดีกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้เสพได้สัมผัสมาถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยความยินดีในลดแห่งธรรมนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วทีนี้ทีนี้มันอยากจะนั่งมากขึ้นแล้วอยากจะปฏิบัติมากขึ้น เพราะว่ามันได้ลิ้มรดรดแห่งธรรมที่ชนะลดทางปวงอ่ะทีนี้มันก็จะเริ่มหาเวลาเพิ่มขึ้นมาเองหาเวลาทาเพิ่มมากขึ้นลดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้น้อยลงไปแล้วก็ต่อไปก็อาจจะอยากไปปีกวิเวกเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน แต่ยังอยู่ที่บ้านอยู่ยังทําภารกิจการงานต่างๆอยู่มันก็มีขีดจํากัดเพราะต้องไปทํางานต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ต้องไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็ทําได้คือพยายามลดหรือตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นไปเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นอก็ตัดมันไปเอามาเอาเวลามาฝึกจิตดีกว่า เคยใช้เวลาดูละครดูภาพยนตร์ดูข่าวก็ไม่ต้องไปดูมันหรือดูมันแป๊บเดียวข่าวก็เดี๋ยวเดียวดูหัวข้อข่าวก็พอเพราะมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอะไรมากมายกับข่าวา ว, าวอะไรต่างๆดูมากยิ่งกลับทาให้ใจวุ่นวายขึ้นมาเปล่าๆอาจจะเป็นมาลบกวนใจในขณะที่ปฏิบัติก็ได้เห็นถ้าไม่ดูได้ก็ดี ดูเท่าที่จำเป็นดูเท่าที่เรื่องที่มันสำคัญสาคัญที่มันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราก็พอถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปสนใจเอาเวลามาฝึกจิตมาทาใจให้สงบดีกว่านี่นี่คือขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถฝึกได้ในขณะที่เรายังดาเนินชีวิตตามปกติของเรา เพียงแต่ว่าเราต้องจัดเวลาให้กับการฝึกจิตเท่านั้น <Yeah. S 1> ต้องให้มีเวลาเอาเวลาจากการไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่น <Yeah. S 1> การไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย <Yeah. S 1> เราต้องลดมันลงไป <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกจิตมาทำใจให้สงบ <Yeah. S 1> อาจจะนอนให้น้อยลงไปนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> ถ้ายังน้อยน้อยไม่ได้ก็ พยายามนอนให้หัวค่ำหน่อยเพื่อจะได้ตื่นมาเช้าเพื่อจะได้เผื่อเวลาไว้ก่อนไปทำงานไปทำการให้มีเวลาสักชั่วโมงก็ยังดีฝึกจิตสักชั่วโมงก่อนนอนฝึกจิตสักชั่วโมงหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วด้วยการสวดอิติปิโสไปในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตาสวดไป ครบลรบอายุแล้วก็ดูลมหายใจต่อหรือพุโทโธต่อไปบอกอย่างนี้ไปแล้วก็เข้านอนตื่นนอนก็เอาใหม่อันนี้เป็นการฝึกจิตเพื่อที่จะหัดหาความสุขอกีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้อง ใช้ข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่คนเดียวได้จะไม่เดือดร้อนไม่มีทรัพสมบัติไม่มีข้าวของอะไรต่างๆก็อยู่ได้และอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าสมัยที่มีข้าวของเงินทองมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้เพราะความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นมันมีความทุกข์ตามมา มันมีภาระตามมาจะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งต่างๆให้มันให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆพอมันเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นก็เกิดอุปสรรคขึ้นมาในการหาความสุขก็ต้องไปจัดการไปซ่อมไปแก้ปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้ให้มันให้ความสุขกับเราต่อไปสรุป ก, ก็คือได้ได้ครึ่งเสียครึ่งเหน็ดเหนื่อย ว ig, ุนวายกว่าจะได้ความสุขมาได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วเดี๋ยวก็อ้นั่นเสียไอ้นี่ก็เสียไอคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อก็ต้องมีเรื่องมาคอยแก้กันอยู่เรื่อยๆถ้าหาความสุขทางร่างกายถ้าหาความสุขทางใจนี้ไม่มีเรื่องที่ต้องมปคอยแก้มีเรื่องเดียวก็คือความคิดของเราแล้วก็เวลาที่เราจะหามา ให้กับการทำจิตให้สงบเท่านั้น น, นี่ถ้าเราอยากจะหัดปฏิบัติจิตตะภาวนาเราต้องบังคับตัวเองเพราะอยู่ดีๆนี่จิตมันจะไม่ดึงเราไปนอกจากว่าถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาประโยชน์ที่เราจะได้จาก การบาเพ็ญจิตธารมาแล้วเรามาเปรียบเทียบกับวิธีการหาความสุขแบบเก่าของเราเราอาจจะเห็นว่าแบบเก่านี้มันยุ่งยากมันวุ่นวายและมันจะต้อง เ, ออเป็นปัญหาต่อไปเวลาที่ร่างกายมันแก่ลงไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายจะตาย ชื่อลองมาหาัดหาความสุขแบบใหม่ไม่ดีกว่าเลยก็ <c oughs> ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลยสวดอิติปิโสตามอายุลองนั่งสวดดูสวดเสร็จก็ลองนั่งดูลมหายใจต่อมันไม่ยากเย็นตรงไหนเลยเนี <c> ่ย <oughs> การฝึกจิต จ, จริงๆมันไม่ยากนะมันยากตรงที่จะดึงตัวเราไปฝึกท่านหนงมันยากตรงนี้มันเหมือนกับฉุดมาไปว่าอาบน้ำเนะี่ย หมามันอยู่ดีๆมันไม่อยากอาบน้ําลต้องฉุดต้องลากมันเหมือนถึงจะยอมไปแต่พอมันเคยอาบน้ําแล้วมันที่นี้ไม่ต้องลากมันละบางทีเรียกมันปุ๊บมันวิ่งไปเลยวิ่งลงน้ําเลยวิ่งมาหาสายยางฉีดน้ําใส่มันไม่วิ่งหนีแต่ใหม่ๆนี่มันไม่เอามันกลัวน้ำเหมือนเหมือนกับพวกที่พวกเราเนี่ย พอให้ไปฝึกจิตนี่กลัวกันเหมือนหมากลัวน้ําลต้องลากมันต้องบังคับมันต้องคอยกําหนดเวลาว่าถึงเวลานี้ต้องทำแล้วนะอต้องไปฝึกจิตนะถ้ายังทำทำเองไม่ได้ก็จะต้องไปเข้าคอร์สเข้าก็ามีหลักสูตรสอนการปฏิบัติจิตนะมีสายต่างๆสายหลวงปู่เวรียงังสายพุทธ อยู hey, what, ่ว่าพุทธสายวัดมาเหยงสายอะไรต่างๆเอชอบสายไหนก็ลองไปเรียนตามสายนั้นดูโกเองกล้าเขาก็มีเอที่ไหนก็ได้อย่างน้อยเขาบังคับเราแต่เมื่อเราบังคับตัวเราเองไม่ได้ก็ต้องไปให้เขาบังคับเราเหมือนเด็กอนุบาลเนี่ยพ่อแม่บางทีสอนที่บ้านไม่ได้หมายังสอนไม่ได้ต้องส่งโรงเรียนหมาให้ให้ใ ห, หมาให้ครูหมาเขาฝึกหมาให้ เพราะจิตโดยไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ของหมาของอะไรมันไม่ชอบฝึกมันชอบทำตามอำเภอใจมันเคยชอบทำอะไรมันก็อยากจะทำอย่างนั้นจิตทุกดวงจิตเหมือนกันจิตของมนุษย์จิตของสัตว์จิตของเด็กจิตของผู้ใหญ่นี้ชอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ชอบถูกบังคับให้ทำอะไรที่ดีกว่า ต้องบังคับถึงจะได้อะไรที่ดีกว่าได้เด็กไปอนุเบียนอนุบาลแล้วกลับมาบ้านเรียบร้อยกว่าเดิมรู้จักหน้าที่รู้จักทำอะไรถ้าไม่ไปฝึกมันก็จะทะเลทไลายไปตามภาษาของมันนี่คือวิธีฝึกจิตก็เหมือนกันฝึกจิตให้จิตสงบเนี่ยเราก็ต้องคอยควบคุมบังคับมัน ถ้าไม่ควบคุม บ, บังคับมันนี้มันไม่ยอมไปหรอกเบื้องต้นก็หาวิธีล่อมันวิธีล่อก็คือเนี่ยไปฟังเทศฟังธรรมจากสํานักหรือจากครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องการสุกจิตสอนให้เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการสุกจิตว่ามีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไร จะช่วยแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ได้อย่างหมดเลยปัญหาต่างๆของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไม่มีความสงบในใจไม่มีความสุขในใจเราก็เลยคิดว่าความสุขต้องต้องไปหาความสุขจากข้างนอกเมื่อไม่มีความสุขในตัวก็ต้องไปหาความสุขจากข้างนอกหาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาก็ไม่แน่นอนเนี่ยบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็หลุดมือไปได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็แยกกันไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดหรือถ้าอยู่ด้วยกันไปตลอดก็เบื่อขึ้นมาอีกแล้ว มันมีปัญหาทั้งนั้นถ้าหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเวลาหาไม่ได้ก็ไม่มีความสุขเวลาได้มาก็ต้องอได้มาก็บางทีก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็แยกกันไปอีกแล้วหรือถ้าอยู่นานก็เบื่อขึ้นมาอีกแล้วเพราออยู่กันนานๆจำเจขึ้นมาก็เบื่อแล้วไม่มีรสมีชาตเหมือนตอนที่เจอกันใหม่ๆอี่ยงมันก็จะมีปัญหาให้ต้องมาคอย แก่อยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้มันมันกลายเป็นความทุกข์ไปเสียแล้วหรือมันจางหายไปเสียแล้วต้องเราต้องมาเปรียบเทียบอมาหาหาหาแรงจูงใจให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันนมัต้องไปฟังเทศจากาพระปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้ว ท่านเหล่านี้ก็จะมาเป็นเหมือนเซลแมนมาขายธรรมะให้กับพวกเราขายความสงบให้กับพวกเราพอเราเราได้ยินเซลแมนเหมือนกับเวลาเขามาขายเครื่องสำอางหรื อ, เ, อ, อเครื่องใช้ต่างๆเขาเขาจะพูดว่าสินค้าอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช้แล้วจะได้อย่างเง้นใ้ พอเราได้ยินเขาโฆษณาแล้วเราก็เกิดอะไรเกิดความอยากจะทดลองาสิเออมันดีจริงหรือเปล่ายิ่งเขารับประกันด้วยโอคนนั้นคนนี้เคยใช้มาแล้วเขาเขายกย่องเขาชื่นชมยินดีมันก็จะมีแรงจูงใจให้เราได้อยากที่จะทำอย่างนั้นบ้างหรือซื้อสินค้าอย่างนั้นมาใช้บ้างอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องพยายามไป อ, อ่านโฆษณาของาศาสนาของพระพุทธาศาสนาผู้ที่เป็นเจลแมนที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเราไม่อยู่เสียแล้วแต่ท่านบอกท่านทิ้งโฆษณาของท่านไว้คือคาสอนต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เราลองไปศึกษาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ได้ลองค้นหาคำสอนที่เกี่ยวกับความสงบ เราพระพุทธเจ้านี้สอนหลายระดับนอกจากความสงบแล้วก็ยังสอนค ว, ความสงบในระดับทางด้านด้านระดับที่อยู่ร่วมกันธรรมะนี่มีหลายระดับระดับสังคมก็มีระดับปลีกวิเวกก็มีถ้าเราต้องการธรรมะระดับปลีกวิเวกเราก็ค้นหาเกี่ยวกับเรื่องสั ม, มถาภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรื่องกรรมฐานอะไรต่างๆแต่ถ้าเรายัง ถ้าเราสนใจเรื่องอื่นเราก็ค้นหาได้การอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขก็อยู่ด้วยพรมวิหารสีมีเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาต่อกันพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะในหลายระดับแต่ระดับสูงสุดก็คือระดับฝึกจิตนี่แหละสมถาภาวนา ทีนี้บางทีคนซื้อสินค้าก็ยังไม่สนใจก็ต้องเอาสินค้าอย่างอื Cannon ่นมาขายเวลาคนเอาขายสินค้าก็อาจจะมีหลายชนิดมีขายสบู่มีขายยาสีฟันแปรงสีฟันมีขายน้ำหอมมีขายอะไรต่างๆก็แล้วแต่คนซื้อว่าเขาชอบซื้อชอบสินค้าชนิดไหนเขาต้องการสินค้าแบบไหนก็จะขายก็โฆษณา ให้กับสินค้าชนิดนั้นไปเพื่อจูงใจให้เขาอยากจะซื้อถ้าเราสนใจเรื่องภาวนาเราก็ต้องไปค้นหาเรื่องภาวนาสมถะภาวนาแล้วดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการภาวนานี้มีอะไรบ้างก็จะมีแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวด ที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์ไม่มาวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับร่างกายของเราร่างกายของเราจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาคนนั้นคนนี้เขาจะมีเรื่องมีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหากับเขาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับผู้ที่มีความสงบภายในใจแล้ว มีความสุขได้อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โลกนี้เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงก็ไม่เดือด้อนเนี่ยตอนนี้บ่นกันอุบนะโรงแรมปิดกันเพราะไม่มีคนจีนมาทัวร์จีนเข้าประเทศไทยนะโรงแรมที่อาศัยทัวร์จีนก็ต้องปิดต้องต้องปลดคนงานคนงานก็ตกงาน ตก ง, งานก็ไม่มีเงินเดือนทีนี้ก็วุ่นวายแล้วสิเดือดร้อนกันแต่ถ้าทําจิตให้สงบได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยก็ไปทําจิตให้สงบสงบแล้วสิ่งที่ต้องการก็อาหารแค่มื้อก็เดียวเท่านั้นเองกินวันละมื้อก็อยู่ได้ค่าใช้ใจ่ายไม่มากน้ําไฟน้ําก็ใช้ไม่มากไฟก็ไม่ต้องใช้มันตอนเขินก็ปิดไฟ ไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ต้องใช้พลมก็ได้ถ้ามันเดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็ไปอยู่ชนบทก็ได้นกับไปอยู่ชนบทหรือไปอยู่ตามวัด ต, ตามวาไปทําประโยชน์ให้กับวัดก็ได้วัดก็ยินดีที่จะต้อนรับเนี่ยผู้ที่ไปอยู่วัดแบบไม่ได้ไปนอนไปกินอย่างเดียวไปก็ต้องไปฝึกจิตไปปฏิบัติธรรมไปทําหน้าที่ของผู้ที่อยู่วัดน ถ้าอยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี่คือ <c oughs> วิธีที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่มาวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆที่มันไม่แน่นอนไม่ไม่มีอะไรที่เราจะรับประกันได้ว่าเงินทองจะไหลมาทุกวันทุกวันสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันดีกนดีมันอาจจะจากเราไปก็ได้ สิ่งที่เคยมามันกอก็อาจจะหยุดมาก็ได้งั้นเราแต่ถ้าเราสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้เขาจะมาไม่มาเราก็ไม่เดือดร้อนคือถ้ามันถึงที่สุดจริงๆถ้ามันจะต้องอดตายมันก็ไม่เดือดร้อนจิตที่มีความสงบนี่มันไม่ทุกข์กับความอดตายไม่มีกลิ่นมันก็ มันจะตายก็ตายเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องอดตายเหมือนกันอดตายเพราะอะไรเพราะกินไม่ได้เวลาไม่สบายมากๆมันก็กินไม่ได้มันก็เป็นเหมือนขอทานกลับมาเป็นเหมือนคนยากจนเป็นมหมาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแต่กินไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับคนยากจนดีๆเนีเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาฝึกจิตกัน มาหารจิตใจให้สงบมามากำหนดเวลาถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติจริงความจริงที่พูดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหรอกเรียนแค่นี้ก็พอให้สวดอิติปิโสไปร้อยจบถ้ายัางนั่งแล้วดูลมไม่ได้หรือพุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปตามอายุก่อนก็ได้ ถ้าสวดครบแล้วยังไม่สงบยังยังฟุ้งซ่านยังคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ก็สวดีกรอบหนึ่งก็ได้แต่รับรองได้ว่าถ้าลองสวดไปสักสามสี่สิบรอบนี่มันไอเรื่องความคิดต่างๆที่ไปคิดอยู่มันจะหายไปแล้วจิตมันจะว่างจะทําให้สามารถดูลมได้หรือพุทธโธได้แค่นี้แหละไม่ต้องไปฝึกที่ไหนก็ได้ไปฝึกเขาก็สอน วิธีเจริญสติคือก่อนที่จะมานั่งถ้ามีเวลาไปฝึกสติได้มันก็จะทำให้เวลานั่งนี้อาจจะไม่ต้องสวดมนต์เลยก็ได้นั่งปุ๊บก็ดูลมได้เลยพุทโธได้เลยเช่ <c oughs> นแม้เวลาทำอะไรต่างๆก็ฝึกสติด้วยการให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่คิดอยู่กับงานที่เรากำลังทำกำลังอาบน้ำก็ให้คิดอยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันถูแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่หรือถ้าเราไม่สามารถดึงให้มันอยู่กับงานได้ก็ใช้พุทโธดึงไว้ก็ได้ท่องพุทโธไประหว่างที่เราทางานต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความความคิด พุโทโธพุโทโธไปนี่คือการเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อให้เวลานั่งสมาธิใจจะได้สงบง่ายถ้าไม่มีสติพอมานั่งนี้มันจะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ตามที่มันเคยคิดอยู่ตอนนั้นก็จะต้องใช้สวดมนต์อยู่ดีก็ต้องสวดนิทิปิโสไปสวดไปจนกว่าความคิดต่างๆมันเบาบางลง นอนทำให้เราสามารถมาเพ่งดูลมได้หรือพุทโธได้แล้วก็เพ่งไปดูไปเดี๋ยวมันก็สงบเองการไปเรียนตามหลักสูตรมันก็ดีตรงที่มีเวลาที่ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นสามวันที่ไปเข้าหลักสูตรนี่เขาก็ไม่ให้เราไปทำอะไรเขาให้เราฝึกสติกับนั่งสมาธิแล้วก็ จ, จะสอนขั้นวิปัสสนาให้ให้รู้วิธีปฏิบัติวิปัสสนา ซึ่งเป็นขั้นที่จะตามมาหลังจากที่ผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนคือต้องให้มีความสงบก่อนถึงจะสามารถสอนเอาใจมามาสอนให้เห็นความจริงของเรื่องต่างๆที่ใจยังไปทุกข์ไปวุ่นวายอยู่ให้ปล่อยวางให้เห็นโทษของการไปยุ่งไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่มีความสุขเนี่ยพะไปหลงคิดว่า เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้พบกับความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆได้แล้วพอเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เรายึดยังติดอยู่มันจะทำให้เราทุกข์เราก็จะปล่อยมันนะอันนั้นเป็นขั้นวิปัสสนาแต่ก่อนจะไปขั้นวิปัสสนานี้มาฝึกจิตทำจิตให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ให้ได้ก่อนถ้าจิตไม่สงบไม่มีความสุขแล้วไปวิปัสสนาไม่ออกปล่อยไม่ได้ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยงแต่มันก็ยังต้องอาศัยมันอยู่เพราะว่ายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พอไมได้ความสุขจากความสงบแล้วเทนี้ก็ปล่อยได้ถ้าไปรู้ว่าสิ่งที่เราไปอาศัยไปยึดไปติดมันเป็นทุกข์มันจะต้องทําให้เราทุกข์ เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันจะต้องจากเราไปเราก็เลยปล่อยมันดีกว่าอย่าไปยึดไปติดอย่าไปพึ่งเขาอย่าไปมีเขามาหาความสุขจากความสงบดีกว่าอันนั้นเป็นขั้นต่อไปการแรกนี้ต้องมาฝึกสมาธิทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนด้วยการฝึกสติ ช่วงที่เรายัางไม่มานั่งถ้าเราไปอยู่ปฏิบัติเราก็จะฝึกสติได้ไปปีกเว้ยเวไปอยู่ไปเข้าตะไปปฏิบัติตามหลักสูตรนี้เขาจะเน้นเรื่องการฝึกสติถ้าเราไม่ไปเราอยู่บ้านหรือเราไปทางานเราก็จะฝึกสติแบบนั้นไม่ได้เพราะเราจะต้องใช้ความคิดไปกับงานที่เราทำใช้ความคิดไปกับบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย เราต้องไปปีกวิเวกถ้าเราไม่สามารถที่จะสอนตัวเราเองได้ถ้าเราไม่สามารถฝึกตัวเราเองได้เราก็ต้องไปหาสถานที่ที่เขาจะสอนเราฝึกเรา mm hmm. พอเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอากลับมาทาอยู่ดีกลับมาบ้านทีนี้เราก็ต้องมากำหนดเวลาแล้วว่าเวลานี้เราจะมาฝึกจิตนะเช่นเวลาก่อนนอน เวลาหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราจะฝึกจิตสักชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากตื่นขึ้นมาสักชั่วโมงหนึ่งฝึกไปอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะได้มีแรงดึงแรงจูงใจคือเวลาที่เราได้ผลนะ มันจะเกิดแรงจูงใจขึ้นมาเองมันจะทำให้อยากจะปฏิบัติมากขึ้นเราก็อาจจะลดการทำงานให้น้อยลงลดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นให้น้อยลงเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปไปอยู่คนเดียวให้ได้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มาฝึกจิตให้ได้มากขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปมันก็จะมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเมื่อได้ทามากขึ้นมันก็จะสงบมากขึ้น ความสุขก็จะมีมากขึ้นมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลาที่ไม่อยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นแนะเพราะเห็นว่าไร้สาระทำแล้วความสุขที่ได้กับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบเนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะมันก็จะมุ่งไปที่ความสงบเพียงอย่างเดียวตอนนั้นก็พร้อมที่จะไปปีกเวกอยู่คนเดียวเป็นเวลายาวนานได้ไปอยู่ที่เจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันเดือนหนึ่ง หรืออาจจะไปแบบไม่กลับเลยก็มีนี่คือการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เรามีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือให้เราเรียนรู้ให้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการมาทำจิตใจให้สงบเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราจะได้ mm. มีแรงจูงใจให้เราจัดเวลาให้กับการฝึกจิตวันวันละสองเวลา ก่อนนอนกับเช้าตื่นขึ้นมาหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาเวลามาฝึกจิตเ ย, ยี่ยงละชั่วโมงทําไปก่อนชั่วโมงหนึ่งนี้ถ้าทําถูกก็อาจจะได้ผลอาจจะได้พบกับความสงบอาจจะเป็นแบบงูแลบลินแต่ก็มันจะยิ่งทําให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจน ปฏิบัติอย่างเดียวไม่อยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะความสงบนี้เหมือนเพชรเนี่ยความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนี้เหมือนก้อนหินเอาเพชรก้อนเดียวนี่สบายกว่าเอาก้อนหินมาทั้งทั้งรถบรรทุกเนี่ยคุณค่าราคาเพชรเม็ดเดียวกับก้อนหินที่แส่รถบรรทุกมานี่อันไหนมันจะมากกว่ากันเพชรเม็ดเดียวนี่เป็นราคาหลายล้าน สั่งหินมารถหนึ่งมันก็ไม่แค่กี่พันนั้นนี่นนี่แหละคือความสุขคุณค่าของความสุขของความสงบกับคุณค่าของความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรถได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ผ่านทางร่างกายมันคุณค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคุณค่าของความสงบแล้วเรื่องอะไรเราไปเสียเวลากับหาของที่ไม่มีราคามีราคาน้อยชัวของที่มีราคามากดีกว่า ได้มาเม็ดเดียวก็เหลือกิ่นแหละเด็กเอาไปหาหินมาเป็นสิบรถร้อยรถมันก็ไม่ได้เท่ากับที่เราได้เพชรมาเพียงเม็ดเดียว น, นี่คือเรื่องของการบําเพ็ญ จ, จิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบในขั้นที่หนึ่งก่อนไปขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาจึงไม่ค่อยพูดเรื่องวิปัสสนามากเพราะว่ามันพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์มาก เพราะยังไปไม่ถึงต้องมาผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนมาฝึกสติเนยเจริญกรรมฐ า, านเช่นสวดอิติปิโสแล้วก็มานั่งดูลมหายใจต่อทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วพอจิตสงบแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปแล้วต่อไปก็จะขึ้นไปสู่ระดับวิปัสสนาได้อันนี้คือเรื่องของการ บำเพ็ญจิตตะภาวนาคือส ม, มถภ า, าวนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวมเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปาติตังตุมหังคิปะเมวาสะมิตจัตโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภะวะโตอันตาราโยสุขีทีขาย ยุโกภวาภิวาธนสีลิตะนิจังวุทาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะของดถามเพราะไม่สะดวกจะมีภาระอย่างอื่นต้องทําต่ออยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าขาทาง Facebook 590 youtube 3ิบยูทยเจ็ิบิออนไลน์ส ล้วฟังบนเขาหกสิบห้ารวมทั้งสิ้นหนึ่งพันยี่สิบเก้าท่านเจ้าค่ะโ okay. อเคไม่มีมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านก่อนคําำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งเจ้าค่ะขอาการครับถ้าไม่มีคำบริกรรมให้จิตยึดแล้วควรที่จะกำหนดรู้อะไรต่อไปครับก็รู้ รู้จิตสิรู้ว่าจิตคิดหรือไม่คิดเนี่ยก็คอยดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่คิดก็รู้เฉยๆรู้อยู่กับความว่างไปเดี๋ยวมันก็จะฮุบลงไปคําถามต่อไปจากคุณประสงค์เจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์คําถามป่วยแล้วยังหาย ยังหายไม่ดีจะไปงานศพได้หรือไม่เพราะคนห้ามท่านพระอาจารย์แนะนำหน่อยครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกับหละงานศพกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นความเชื่อท่านนั้นเองคนงั้นคนที่ไปงานศพก็ต้องเป็นอะไรกันทุกคนเนี่ยงนก็ไม่มีงานศพแะแต่าไปแล้วเกิดตายกันขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยกันขึ้นมาเพราะไปงานศพ มมัันนไ่่เกกียวรคำถามต่อไปจากคุณธามเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมอารมณ์อ่อนไหวและหมุนหมองง่ายเวลาทะเลาะ ก, กับพ่อและน้องชายซึ่งมีความคิดทางด้านลบหรือความเห็นไม่ตรงกันเพราะผมจะอยากให้เขาทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรบางครั้งจะมีอารมณ์ขุนโมและเป็นทุกข์ ไปหลายวันรวมถึงปวดหัวต้องกินยาด้วยอยากจะขอคําแนะนําในการวางใจและปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนี้ครับคือเราอย่าไปอยากนความอยากของเราเนี่ยที่ทําให้ใจเราขุ่นมัววุ่นวายขึ้นมาอยากให้เขาทําตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ไปอยากแล้วเราก็จะไม่ขุนมัวกับคนอื่นเราไม่ขุ่นมัวด้วยเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาเอาทําตามที่เราต้องการ อย่าไปอยากออย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราบอกเขาได้ว่าทําอย่างนั้นไม่ดีทํานี้ดีก็พูดได้เท่านั้นส่วนเขาจะทําหรือไม่ทําก็เป็นสิทธิที่ของเขาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกที่จะปฏิบัติธรรมตามแนวที่พระอาจารย์สอนแล้วแต่ก็ยังดูฟังข้อคิดหรือการตอบคําถามจากผู้ปฏิบัติธรรมจากที่อื่นอย่างนี้จะสับสนหรือไม่เจ้าคะเพราะหลักใหญ่ๆของการปฏิบัติทั้งหลายก็รวมมาที่จุดเดียวก็มาเรารู้แล้วก็ไปปฏิบัติ ด, ดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับการไป ไปศึกษาเกินความจำเป็นศึกษาเฉพาะเรื่องที่เราต้องการจะรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติดีกว่าคําถามต่อไปจากคุณนรงกร์เจ้าค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วเผลอหลับพอรู้สึกตัวมาก็พวาวนาต่อไปแบบนี้ได้ไหมครับได้แต่มันก็จะไม่ได้ผลเดี๋ยวมันก็หลับอีกถ้ามันหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนดีกว่า แล้วขึ้นมาแก้ความง่วงนอนกันโดยการเดินจงกรมให้มปนสติแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่คําถามต่อไปจากคุณกระหนขวัญเจ้าคหะนมามสการพระอาจารย์เจ้าคหาอยากถามว่าการที่ถ่ายเงินคนอื่นแล้วเอาเงินนี้ไปทําบุญเพื่อเอาบุญเอาหน้าเอาตาจะได้บุญประมาณไหนเจ้าหาเอาเงินคนอื่นไปทําบุญไม่ได้เลยฮนะก็บุญมันเกิดจากการเสียสละเงินทอง ถ้าเราไม่ได้เสียสละเงินทองเลยเราไปชวนคนอื่นมาเราเอาเงินของเขามาทำบุญก็เพียงแต่ทำแทนเขาทั้งนั้นเองทำหน้าที่รับใช้เขาก็าจะได้ได้บุญในในเรื่องที่เราทำหน้าที่เอาเงินของเขามามอบให้กับวัดหรือกับที่ที่เราไปทำบุญด้วยก็เป็นบุญคนละชนิดกันบุญชนิดนี้เรเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่น คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะลูกได้ฟังเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดแนวทางคือมีมโนภาพแล้วเหตุจริงจะเกิดขึ้นเช่นคิดถึงความโชคดีคิดถึงความมั่งคัง่งแล้วเรื่องเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงการใช้มโนภาพสร้างความจริงได้ไหมคะไม่ได้หรอกทุกคนก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินกันไปแล้วเป็นเศรษฐีกันไปแล้วเนี่ยนั่งนั่งมโนภาพต่อไปจะเป็นเศรษฐีต่อไปจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็ทุกคนก็เป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าเป็นดินเงินไปหมดคำถามต่อไปจากคุณยาเจ้าค่ะถ้าสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งกรรมาฐานบ่อยๆเป็นประจำทำทานอยู่เป็นนิดแต่ศีลยังไม่ครบติดข้อสามบุญจะชดเชยบาปได้ไหมแล้วผลของการมีทั้งบุญและบาปผิดศีลข้อสามจะเป็นยังไงครับก็ ถ้าผิดศีลข้อสามก็จะไปเป็นแบบพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกหมาเดินเก้าหมาเดินเก้ามันก็ผิดศีลข้อสามอย่างนั้นพวกที่ไปเกิดพวกที่ทำผิดศีลข้อสามในขณะที่เป็นมนุษย์ตายไปก็จะไปเกิดเป็นพวกสุนัขเดินเก้าเพราะพวกนี้เขาไม่มีศีลเขาชอบใครเขาเจอใครเขาก็ร่วมหลับนอนกันไปคำถามจากคุณดวงดาวเจ้าค่ะ ขออนุญาตถามค่ะเราฝันไม่ดีฝันว่าไฟไหม้บ้านเราจะมีอะไรเดือดร้อนไหมคะความฝันจะมีผลต่อชีวิตเรอไหมคะก็ดูเสียว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงก็แสดงว่าเราแม่นนะเรามองอนาคตได้ก็ต้องพิสูจน์ ด, ดูว่าความฝันกับความจริงมันตรงกันหรือไม่ คำถามต่อไปจากคุณไหมเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการไม่อยากบริกรรมถือเป็นสิ่งต่อต้านการทําสมาธิหรือไม่เจ้าค่ะไม่หรอกก็จะไม่เป็นจริตของเราถ้าเราไม่บริกรรมเราก็ดูลมดูหรือดูถ้าเรายังไม่ได้นั่งเราก็ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแทนคําถามต่อไปจากคุณชารินเจ้าค่ะ นมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะทำอย่างไรให้ลูกๆเป็นคนว่านอนสอนง่ายเจ้าคะ่ะเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเนี่ยเพราะว่าแม่ปูสอนแม่ปูลูกปูเนะี่ยแม่ปูอยากให้ลูกปูดเดินตรงๆแม่ปูก็ต้องเดินตรงๆพอแม่เดินตรงๆลูกก็จะเดินตรงๆ ต, ตามถ้าแม่ดื้อลูกเห็นแม่ดื้อลูกก็ดื้อตามแม่นะ <c oughs> หมดแล้วเลย ก่อนก่อนที่จะสอนคนอื่นได้เราต้องสอนตัวเราเองก่อนสอนเราตัวเราให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้านี้ก่อนจะมาสอนพวกเรานี้ท่านสอนตัวของพระองค์เองก่อนท่านฝึกฝนอบรมควบคุมจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิก่อนกําจัดความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจนจิตใจเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วท่านก็เอาวิธีฝึกจิตฝึกใจสอนตนมาสอนผู้อื่นต่อไปด้วยการกระทําของพระ อ, องค์เองทุพระ อ, องค์นี้ไม่เคยแสดงความโกรธไม่เคยแสดงความโลภไม่เคยแสดงความหลงมีแต่ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อสัตว์โลกหาประมาณไม่ได้ งก่อนที่เราจะไปสอนใครเราสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนถ้าสอนตัวเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทำตามที่เราสอนแล้วคนอื่นเขาก็จะเห็นแล้วศรัทธาที่เขามีก็จะเสื่อมหมดไปเองมีคำถามเข้ามาจากคุณเจี๊ยบเจ้าค่ะเคยภาวนาจิตเกือบหลุดออกจากกายเกิดจากอะไรครับ เป็นสภาวะอะไรครับตอนเป็นมันทุกข์มากๆครับคงไม่มีสติมั้งถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่าไม่มีสติถ้า <c oughs> มีสติแล้วจิตจะสงบจิตจะมีความสุขใเวลาฝึกจิตเวลานั่งสมาธิต้องมีจิตคอยกํากับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะแสดงอาการต่างๆขึ้นมาที่ทําให้เกิดความเสียหายหทางจิตใจได้นะ คำถามจากผู้ไม่ประสองออกนามเจ้าค่ะพ่อกับแม่สามารถส่งบุญบา ร, รมีที่ท่านมามาช่วยลูกได้ไหมเจ้าคะถ้าลูกเจอเคราะห์กรรมและอุอบัตกรรมหรือว่าลูกต้องสร้างบุญบา ร, รมีด้วยตัวเองสาธุเจ้าค่ะบุญต้องสร้างกันเองนะบุญใครบุญมันไม่สามารถที่จะมาแบ่งให้คนอื่นได้ยกเว้นถ้าเป็นผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็พอจะแบ่งไปได้แต่นิดเดียว บุญที่อุทิศให้กับผู้ลงรับนี่เป็นเหมือนน้ำที่ค้างติดอยู่ในแก้วไม่ได้เป็นน้ำที่เต็มแก้วเวลาเราเทน้ำออกไปแล้วยังมีน้ำค้างติดอยู่ในแก้วนิดหน่อยนั่นคือบุญที่เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ลงรับไปได้แต่สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่วิธีที่จะแบ่งก็ชวนเขาไปทาบุญดีกว่าชวนเขาไปทาบุญพอเขาได้ทาบุญเขาก็จะมีบุญของเขาเกิดขึ้นมาอ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านเจ้าคะ่ะบุญลบล้างบาปได้ไหมครับถ้าเราทำบาปไปแล้วแล้วหยุดทำแล้วหมั่นสร้างความดีมาเสริมจะแก้ไขได้ไหมครับ อ, อ๋อบุญกับบาปนี้ลบล้างกันไม่ได้แต่มาต่อต้านกันได้เพราะว่าจิตเรานี่เวลาที่ร่างกายตายไปจิตเราจะถูกบุญกับบาปที่เราสร้างไวน้นี้มาฉุดลากไปทางใดทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะฉุดจิตเราให้ไปสวรรค์ไปสู่สุคติถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะฉุดให้จิตเราไปอบาย คำถามต่อไปจากคุณกหนกขวัญโยมสวดอิติปิโสร้อยแปดจบระหว่างสวดประมาณบทที่แปดสิบกว่าอยู่ๆก็เกิดอยากร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าและไม่มีทีท่าจะหยุดถึงกับสะอึกสะอื้นนี้คือจิตไม่เนียงใช่หรือไม่เจ้าคะก็ยังควบคุมด้วยสติไม่ได้ถ้าอยากจะควบคุมตอนนั้นก็ต้องสวดต่อไปเลย ว, ว่าพุโทโธพุธโทโธเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธพุธโทโธดู คำถามจากคุณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ขอถามท่านพระอาจารย์ค่ะที่บ้านมีปลวกขึ้นใจก็ไม่อยากกําจัดไม่อยากฆ่าเพราะเป็นพันๆตัวรู้สึกไม่สบายใจค่ะถ้าไม่กําจัดก็กินบ้านทั้งหลังไม่รู้จะวางใจยังไงให้สบายใจค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ก็มีผู้มารับทำบาปแทนเราเนี่ยก็ให้เขาไปทำเลย มีผู้เขาประกาศตามห น, น้าหนังสือพิมพ์ช่วยกำจัดปลวกให้แล้วก็ใบบอกให้เขาว่าเรามีปลวกที่บ้านทั้นั้นเองถ้าเขาอาสามาก็แสดงว่าเราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ใช้เขาเขามาเองอย่างนี้เราก็ไม่บาปเขายินดีทําบาปเพราะเขายังต้องอาศาัยการทําบาปในการเลี้ยงชีพของเขาอยู่เราไม่ไปใช้เขาก็ไปทําที่อื่นะ คำถามต่อไปจากคุณธนาพลการนั่งสมาธิสมาธะถ้าอยากนั่งปฏิบัติเองได้ไหมครับจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์สอนไหมครับจําเป็นต้องรู้วิธีนะถ้าไม่รู้วิธีก็ต้องมีคนสอนแต่เวลานั่งไม่ต้องมีคนมานั่งสอนเหมือนกับสอนเต้นรานี่สองคนต้องสอนครูต้องเต้นกับลูกศิษย์นี่แต่เวลานั่งสมาธินี่ทําคนเดียวยั้นครูไม่ต้องมานั่งกํากับด้วยเพียงแต่ รู้วิธีนั่งแล้วเราก็ไปนั่งคนเดียวเพราะการปฏิบัติจะให้ได้ผลดีต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจถ้านั่งหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นไอบ้างเดี๋ยวคนนั้นขยับเนี่ยเียก็จะมาลบกวนสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณโชติกาหนูชอบเปิดธรรมะพระสวดแต่นอนฟังจะบาปไหมคะ ไม่บาปแต่ขี้เกียจเนียแล้วก็จะหลั บ, บฟังสบายแล้วก็หลับครอกครอกไม่ได้สมาธิแต่อยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งฟังคำถามต่อไปจากคุณชาลินอยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากถือสินแปดแต่เราต้องทํางานคือต้องปรแป้งแต่งหน้าจะเป็นการผิดศีลไหมเจ้าคะ ผิดก็ผิดเสร็จในเมื่อยังจําเป็นจะต้องทํางานมันผิดก็ต้องผิดก็ถือว่าเรารักษาสินแปดไม่ได้ก็เอาศินหกก็ได้สินเจ็ดก็ได้มันมีต้องอีกหลายข้ออก็ไม่กินข้าวเย็นได้เปล่าเออหรือว่าอไม่ดูหนังฟังเพลงได้เปล่ามันก็มีข้ออื่นให้เรารักษาได้ไม่จำไม่จําเป็นจะต้องรักษาทั้งแปดข้อถ้ายังรักษาไม่ได้ถ้ารักษาได้ก็ดีอืมแต่ถ้ายังรักษาไม่ได้ก็เอาเท่าที่เราได้ก่อนอื คำถามต่อไปจากคุณจิมกราบนมัสการอยากกราบเรียนถามว่าที่ตายแล้วไม่สูญแต่นิพพานเป็นสูญศูนยังตกลงว่าตายไปแล้วศูญหรือไม่ศู์คำว่าศูญก็คือทุกอย่างหายไปหมดว่าร่างกายตายไปร่างกายหายไปจิตใจหายไปอันนี้ก็เรียกว่าตายแล้วสูญอันนี้ไม่สูญเพราะ ศูนย์หายไปแค่ครึ่งเดียวคือร่างกายร่างกายก็หายไปกลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าไปแต่จิตผู้ใช้ร่างกายผู้สั่งร่างกายนี้ไม่ไม่ศูนย์จิตผู้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปผลบุ ญ, บ, ญ, บ, ญบุญกับบาปที่อยู่ในจิตจะเป็นตัวนึินจิตให้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอย่างนี้ไม่ศูนย์ตอนนี้ไม่ศูนย์ แต่ความสูญของนิพพานนี้หมายถึงสูญจากการเวียนว่ายตายเกิดสูญจากความทุกข์ต่างๆสูญจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจที่อยู่ตามลำพังได้โดยไม่ต้องมีอะไรใจของผู้ที่ยังไปถึงนิพพานนี้ยังต้องมีการมาพบมีรูปพบมีอรู ป, ร ป, รปพบอยู่ยังเรียกไม่เรียกว่าสูญแต่ผู้ใจของผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วสูญไม่ต้องมีอะไรแต่ไม่ได้หายไป ใจนิพานนี้ไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าใจนี้สิ่งที่ใจเคยอาศัยให้ความสุขหายไปหมดคือการมมาพบรูประพบอารูประพบนี้หายไปจากใจของผู้ที่ไปนิพานแล้วเพราะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปถึงเรียกว่าศูนย์แต่ไม่ได้ศูนย์หายศูนย์จากการที่จะไปมีกรรมมาพบรูปะพบหรืออารูประพบ ราอเหตุที่พาให้ไปถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาและสมถะภาวนาคือกําจัดการมาตัญหาก็จะหยุดการไปเกิดในการมมาพบได้กําจัดรูภาวะตัญหาก็หยุดไปเกิดในรูปภพได้กําจัดวิภาวะตัญหาก็หยุดการไปเกิดในอรูปภพได้เมื่อไม่มีเหตุที่พาให้ไปเกิดการไปเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไป คำถามต่อไปจากคุณปุขากราบนมั ส, ส ก, การพระอาจารย์ค่ะโยมไปงานบุญพอเสร็จงานมักจะเจอพระมาขอเรียอะไรเงินอ้างจะเดินทางไปที่อื่นโยมไม่ให้ผิดไหมคะไม่ผิดหรอกก็ไม่ให้ก็ไม่ได้ทําบุญทั้งนี้แต่ให้ก็ได้ทําบุญหรือได้ทําทานสุดแท้แต่ตามหลักพระวินัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้พระไปขอเงินขอทองจากคนที่ไม่รู้จักขอได้จ้ะ ขอได้แต่คนที่เขาเสนอตัวหรือคนที่เป็นญาติถ้าคนที่เขาไม่เสนอตัวบอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรบอกผมหรือบอกดิฉันได้ก็ไปขอไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเรือค่ารักษาโรงพยาบาลค่าอะไรก็สุดแท้แต่ขอไม่ได้ถ้าผู้ที่เราไปขอเขาไม่ได้บอกลวงหน้าไว้ก่อนว่าขอให้ขอได้หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นญาติ เพราะนการที่เราไม่ไปให้ก็ดีเพราะจะได้ดัดนิสัยพระที่ไม่ดีพระที่ไม่ทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการขอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนี่มันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับศาสนาได้เพราะจะทำให้คนเบื่อนายเจอทีไรก็ขออย่างเดียว แต่ถ้าขอจากคนที่เขายินดีเขาบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเขาก็จะไม่เขาไม่เขาก็ไม่เบื่อนายเพราก็อยากจะทำบุญอยู่แล้วพอบอกเขาเขาก็ดเขาก็จะดีใจว่าเขาจะได้ทำบุญแต่ไปบอกคนที่เขาไม่ได้บอกว่าเขายินดีจะทาบุญไปบอกเขาเขาก็จะเขาก็จะเบื่อได้เขาก็จะลำคาญแล้วต่อไปเขาอาจจะไม่อยากจะเข้าวัดก็ได้เข้าไปก็เจอขอทานเต็มไปหมด พระนี้เป็นผู้อยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นแต่ไม่ได้อยู่ด้วยการขอเนยแต่พระนี้ไม่ได้เป็นขอทานแต่อยู่ด้วยการรับทานของผู้อื่นต่างกับขอทานที่ไปแล้วก็ไปคอยรอบกวนคนนั้นคนนี้ขอนน่นขอ น, น, ขอนี่อยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าไม่ให้พระขอแต่ถ้าขาดเหลืออะไรนี่บอกให้เขารู้ได้เช่นว่ากุฏิตอนนี้ หลังคารั่วไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้แค่นี้ถ้าคนฟังเขาอยากจะทำบุญเขาบอก เ, อเดี๋ยวจะจัดการให้ถ้าเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้ไปขอเขาก็ไม่ไปรบกวนเขาก็จะไม่ทำให้เขาเสื่อมศรัทธาเพราะการทำบุญบางครั้งคนที่จะทำบุญก็บางทีเขาก็พร้อมบางทีเขาก็ไม่พร้อม บางทีเขาไม่ไม่มีกําลังที่จะทําทแล้วมาขอนี้่ยก็ทําให้เขารู้สึกไม่สบายอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าไม่ทําแล้วจะเป็นบาปไหมฮไม่เป็นบาปแต่ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาที่พราะมาขอแล้วไม่ไม่ได้ให้เขาไปอันนี้ไม่ต้องไปกังวลเพราะพร ะ, ะเจ้าสอนอยู่แล้วว่าไม่ให้พระไปขอกับคนที่เขาไม่พร้อมที่จะทําทบุญแต่คนที่เขาพร้อมเขาเสนอตัวแล้วก็ไปบอกเขาได้ เรบอกแล้วเขาก็จะดีใจเพราะเขาจะได้ทำบุญตามที่เขาตั้งใจไว้ได้มีคำถามเข้ามาจากคุณโอนิเจค่ะ mm hmm. กลับในมรรการพระอาจารย์การพิจารณาธรรมอื่นๆ น, นอกจากขันห้าจำเป็นต้องเกิดไรตรลักษณ์ทุกทุกอย่างหรือเพียงให้เกิดความสลดสังเวชเท่านั้นก็พอครับคือการพิจารณาเพื่อให้เห็นไตรลักณ์มันก็จะเกิดสลดสังเวชขึ้นคือเกิดความ เบื่อเบื่อนายแล้วเกิดความเห็นพิษเห็นภัยของสิ่งที่เราไปยึดไปติดไปอาศัยให้ความสุขกับเรานี่คาว่าสลดสังเวชน่ไม่ทราความหมายว่าเป็นอย่างไรมันต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดสลดสังเวชเช่นเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เกิดสลดสังเวชเดี๋ยวได้สิ่งนั้นมาแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นมันก็จากเราไปมันก็เกิดสลดสังเวชขึ้นมา ถ้าเกิดสลดสังเวชแล้วทำให้เราปล่อยสิ่งต่างๆได้ก็ใช้ได้ก็แสดงว่าเราเห็นตายรักโดยโดยอัตโนมัติเนี่ยถ้าไม่เห็นไม่ยังไม่สลดสังเวชก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันมันเป็นมันน่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์เนี่ยเพราะมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันจะมีการจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว มันก็อาจจะทำให้เกิดสลดสังเวชขึ้นมาแล้วก็อาจจะปล่อยวางได้มีคาถามฝากถามการทำบุญทำทานเราทำเพื่อลดความโลภหรือให้เกิดอีนนิสงช้ระหว่างที่ยังไม่บรรลุครับก็มันได้ประโยชน์หลายทางเะก็ลดความโลภได้เพราะว่าพอเราได้เงินมา ป, ปกติเราก็มักอยากจะได้เพิ่มได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันไง แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการแค่ร้อยหนึ่งพอได้เกิดร้อยก็เอาไปทำบุญเสียเอาไปทำทานเสียมันก็จะไม่มีความโลภที่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเอาเพียงแค่ร้อยเดียวคําถามต่อไปจากคุณออฟกรรบนมัสการครับ อยากกลับเรียนถามว่าใช้ตาในหรือตาใจเพ่งมองแต่กระดูกตัวเองชัดไม่ชัดก็เพ่งมองอยู่ตลอดเมื่อร ล, ลึกได้ผมรู้สึกว่าสบายใจผมทำถูกไหมครับถ้าสบายใจก็ใช้ได้แต่ยังไม่ไม่ได้เต็มร้อยต้องพิจารณาแล้วปล่อยวางร่างกายให้ได้คือไม่ไปกังวลกับมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของกระดูกไป คำถามต่อไปจากผู้ฟักถามขณะนี้ผมไม่ได้ทํางานนั่งพอนาะและปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแต่ผมยังทําบุญอยู่เสมอโดยใช้ไรายได้ของภรรยาไปทําบุญเช่นนี้กระผมยังได้รับอ น, นิสงฆ์แห่งทานหรือไม่ขอรับขอเมตตาพระอาจารย์ด้วยขอรับก็คืออยู่ว่าเงินนนั้นที่เราไปทํานั้นเป็นของเราแล้วเป็นของใครถ้าภรรยาให้เราแล้วก็เป็นของเราพอ เ, เป็นของเราแล้วเราไปทําบุญเราก็ได้บุญ แต่ถ้าเป็นเงินของภรรยาเขายังไม่ได้ให้เราเราบอกว่าขอไปทําบุญนี้เราจะไม่ได้เพรา ะ, ะมันไม่ได้เป็นของเราเราไปขอของคนอื่นแล้วไปทําบุญก็เขาเป็นคนได้เพราะเขาเป็นคนให้เราไปทําบุญแต่ถ้าเขาให้เราไว้แล้วเราบอกว่าแล้วแต่จะไปทําอะไรทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทําบุญเราก็จะได้บุญคําถามต่อไปจาก ควรชีวิตบอยบินขอากาดครับถ้าที่ไปขอแผ่ข้าวตามบ้านแถวภาคอีสานถือว่าผิดหรือเปล่าครับขออะไรนะแผ่ข้าวแผ่ข้าวแปงไม่รู้ขอข้าวสารเน่ยนี้ยังไงไปไปไปขอปข อ, อตามบ้านนะคะอ๋อถ้าเป็นการขอก็ไม่ถูกนะ แต่ถ้าเป็นการบอกบุญเช่นมีบุญประจำปีที่วัดอย่างนี้เราไปบอกเขาว่าปีนี้วัดจะทำบุญวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้าเขายินดีจะไปก็เรื่องของเขาอยู่ที่ว่าขอแบบไหนขอแบบบอกบุญก็แบบไม่ได้ไปขอเพียงแต่บอกให้รู้แจ้งข่าวให้ทราบว่าจะมีการทำบุญข้าวในวันนั้นวันนี้ถ้าเขามีข้าวอยากจะไปทาบุญก็เอาไปได้ แต่ถ้าไปบอกขอข้าวโลนึงอย่งนี้โดยตรงนี้นี่เรียกเป็นการขอคำถามต่อไปจากคุณชีวิตติดดินถ้าทาบุญต้องขอพอรไหมเช่นขอให้รวยให้มีความสุขการขอพอรจะเป็นการเพิ่มกิเลสไหมขอพอรหรือไม่ขอพอรจะดีกว่าครับเออไม่ต้องขอหรอกเพราะว่ามันเหมือนการกินข้าวนย การกินข้าวต้องไปขอพรจากใครไหยว่าขอให้อิ่มขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพออายุยืนยาวนานไม่ต้องไปขอหรอกมันอยู่ที่เหตุที่เราเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูร่างกายดีมันก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานไปตามเหตุตามผลของการกระทําของเราการทําบุญเราก็ได้ผลจากการทําบุญของเราบุญก็จะทําให้เรามีความสุขทําให้เราเป็นคนดี น่าจะเป็นเหตุทําให้เราเจริญทางราบยศสะรรเสริญต่อไปด้วยก็ได้ออค่ะคาถามต่อไปจากคุณสิทธวัดป่ากับถามพระอาจารย์เรามีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่พอใจในความกําหนัดยินดีนี้เราจะบรรเทาความ ก, กำนัดยินดีนี้อย่างไรครับเช่นรู้ว่ากินเผ็ดมากไม่ดีแต่ก็ยังชอบกินอ๋อ ก็ต้องเห็นโทษต่อไปว่าต่อไปถ้าไม่ได้กินเผ็ดจะทุกข์เพราะต่อไปหม อ, อาเป็นโรคขึ้นมาแล้วหมออาจจะห้ามหมอห้ามกินเผ็ดกินแล้วจะทําให้เกิดโรคตายโรคตับอะไรขึ้นมาแต่ยังอยากกินอยู่ตอนนั้นก็จะทุกข์เพราะจะไม่ได้ทําตามความอยากไม่ได้กินตามความอยาก คำถามต่อไปจากคุณชารินกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเรากวดน้ําโดยไม่ใช้น้ําบุญจะถึงผู้ที่เราอุทิศให้ไหมคะถึงเพราะเราไม่ได้กวดน้ำํำเรากวดบุญบุญที่มีอยู่ในใจเราเพียงแต่ว่าบุญมันเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นเขาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างมาแสดงให้เห็นสมมุติว่าเหมือนกับบุญ เทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปใส่ภาชนะหนึ่งก็เหมือนส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งคําถามต่อไปจากคุณโคที่บ้านขายน้ําแข็งใต้น้ําแข็งจะมีถาดรองน้ําที่ที่ละลายมาชอบมากินน้ําเย็นๆผมเห็นแล้วไม่เคยไล่กับนึกว่าหมาคงชอบน้ําเย็นเหมือนคนแบบนี้ถือว่าได้บุญไหมครับได้ก็เราก็ให้ทานเขา คำถามจากคุณแบงค์กราบนามัสการครับผมนั่งภาวนาแล้วชอบหลับต้องทําอย่างไรดีครับก็ต้องอย่านั่งต้องเดินก่อนเดินจมกรมให้มันหายง่วงก่อนถ้ายังไม่หายอาจจะต้องลดการกินอาหารให้น้อยลงถ้าอย่า ก, กินอาหารเย็นถ้าเราภาวนาตอนเย็นก็อย่าไปกินอาหารเย็นเราถ้ายังง่วงอยู่ก็กินให้น้อยลงไปแทนที่กินสองมือก็ลดเหลือมื้อเดียวถ้ายังง่วงอีกก็ กินวันเว้นวันไปถ้าไม่ชอบเรื่องอดอาหารก็ต้องไปเปลี่ยนที่ภาวนาไปที่น่ากลัวไปอยู่แถวป่าชา้าไปนั่งในป่าช้านี่นั้นมันจะไม่ง่วงภาบางรูปท่านก็ไปนั่งปากเหวถ้าง่วงก็หัวทิ่มตกเหวไปเลยบางรูปก็ไปนั่งแถวมีเสือผ่านตรงไหนมีรอยเสือรอยเท้าเสือก็จะไปเลือกนั่งแถวนั้น แล้วมันจะได้เตือนสติว่าเดี๋ยวมีเสือมามันที่มันก็จะไม่ง่วงคํำถามต่อไปจากคุณโจกกราบนมัสการครับอยากทราบว่าเรานั่งสมาธิถึงขั้นไหนถึงเดินปัญญาวิปัสนาได้ครับและควรพิจารณาองค์ไหนเป็นขั้นต้นครับคือมันก็ถ้าจะให้ดีได้ให้มันได้อัปปนาสมาธิก่อนจะดีกว่าถ้ายังไม่ได้มันก็ยังเป็นสมาธิแบบเด็กอยู่ เอาไปทํางานก็ได้ผลน้อยใช่เด็กบรรโตก่อนดีกว่าให้เด็กบรรโตเป็นผู้ใหญ่มีกําลังวางชาสมบูรณ์แล้วค่อยเอาไปทํางานจะได้งานมากกว่าแต่เราก็อาจจะทําแบบเตรียมตัวไว้ก่อนได้เช่นในช่วงที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิมาเราจะอาจจะเปลี่ยนจากการเจริญสติมาพิจารณาทางปัญญาบ้างก็ได้ถ้าเราคิดไปทางปัญญาได้แต่ก็ต้องระวัง ถ้าเผลอเดี๋ยวคิดเป็นปัญญาอาจจะคิดเป็นกิเลสไปก็ได้เห็นต้องระวังตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถสอนให้มันคิดทางปัญญาได้พิจารณาตายรักได้ก็พิจารณาไปได้แต่ยังไม่มีกำลังมากเหมือนกับตอนที่เราได้สมาธิแบบผู้ใหญ่แล้วคืได้อัปปนาสมาธิแต่ได้อัปปนาสมาธิแล้วมันจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ ทำงานอะไรก็จะได้เป็นกรอบเป็นก ร, รมถ้าเป็นเด็กมันก็จะทำแบบเล็กๆน้อยๆได้แบบเล็กๆน้อยๆคำถามต่อไปจากคุณบุญเลิศกราบนมส ก, การหลวงพ่อครับอยากถามว่าเวลาเราเกิดกิเลสใดๆก็ตามพอเราเห็นจุดเกิดมันแต่เราเฝ้าดูสักพักเห็นมันดับบางอารมณ์ค้างกลุ่นอยู่ไม่ดับเราจะจัดการอย่างไรครับเบื้องต้นก็ทาจิตให้สงบก่อน ใช้สติหยุดกิเลสก่อนพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบแล้วขั้นที่สองก็ใช้วิปัสสนาหลังจากออกจากความสงบมาก็พิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นตายรักอยากได้ลาบยศสรรเส ร, ริญสุขก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็จะทําให้เราทุกข์พอรู้ว่าเราจะต้องไปทุกข์เราก็จะได้หยุดความโลภที่อยากจะได้สิ่งเหล่านั้นได้ จะหยุดแบบท้าววอนได้ดแล้วยังมีเจ้าค่ะต่อไปคำถามจากคุณธรรมดีกับเรียนถามพระอาจารย์เราถูกคนที่เรารักถูกบอกเลิกแต่เรายังห่วงเขาที่เขาเป็นคนเจ้าชู้และทำผิดศีลข้อสามกลัวเขาจะมีภัยจากการเห็นผิดเราควรเตือนเขาอย่างไรไม่ให้เขาโกรธหรือหรือเชื่อเรื่องกรรมในข้อนี้ ถ้าเขาไม่มาปรึกษาก็ไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ใช่เรื่องของเราแล้วตัวใครตัวมันนะคําถามจากคุณวิราพงศ์เรียนถามพระอาจารย์ครับอยากทราบวิธีนั่งภาวนาอย่างไรไม่ให้ง่วงนอนครับก็ต้องไม่กินอาหารมากการกินอาหารมากเกินไปก็เป็นเหตุที่ทําให้ง่วงนอนได้สอง ถ้าอยู่ที่ที่มันสงบที่มันหวาดเสียวหวาดกลัวหน่อยมันก็จะทำให้ไม่ง่วงนอนนะถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยที่สบายมันก็อาจจะทำให้ง่วงนอนได้คําำถามจากคุณยีนค่ะถ้าทำบุญแล้วอุทิศให้ผู้อื่นบุญของเราจะหมดไปไหมครับไม่เราก็แบ่งไปนิดเดียวเป็นเศษบุญที่เราแบ่งไปเหมือนเราเทน้าออกจากแก้วแล้วยังมี เศษน้ําติดอยู่ในแก้วเราก็ให้ขอทานไปเลียเอาเอาให้แก้วเข้าไปให้เขาเลียน้ําที่เหลืออยู่ในเอคําถามจากคุณโมเจ้าค่ะหลวงพ่อครับสมาธินี้ทําได้ยากไหมครับคํำถามสุดท้ายเนะยากไม่ยากอยู่ที่เราถ้าเราอยากจะทํามันก็ง่ายถ้าเราไม่อยากจะทํามันก็ยากก็อยู่แค่ตรงนี้อะลรนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา